สำรวมจิตใจของตนให้ดีเรามีโอกาสที่จะได้ฝึก้นตนเต็มที่การที่เข้ามาบวชอยู่ในวัดวาศาสนาหรือผู้ที่ไม่บวชก็ตามหากได้เข้ามาในวัดวาอารามนี่แล้ว ย่อมอาศัยธรรมชาติช่วยพอเป็นอรัญญาวาสแปลว่าสถานที่อยู่ในป่าสงบสงัดจากเสียงอือกระทึกคึคมต่างๆขาพุทธเจ้าก็ดี้พระอราหันต์ทั้งหลายพระองค์ท่านก็ แสวงหาแต่ที่สงบนั่นแหละแม้ว่าท่านจะสำเร็จอรหัตตผลแล้วหมดกิจที่จะท่องทำแล้วก็ตามก็ยังแสวงหาอยู่ในที่สงบอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าได้สำเร็จมรรคผลแล้วจะทิ้ง ป่าเขาลำเนาใหรเอาไปคุกที่อยู่แต่ในบ้านในเมืองตลอดไปหาไม่ได้ตามประวัติแล้วก็พระองค์ก็หลีกเล่นออกไปอยู่เป็นครั้งเป็นคราวอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย เพราะว่าความสงบนี่มันเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายสงบในที่ได้หมายเอาจิตใจสงบจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงดังนั้นผู้ท่านที่สงบจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงแล้ว ย่อมมีจิตโน้มใบในที่สงบสงัดอันนี้เป็นคุณธรรมของท่านผู้สำเร็จแล้วแม้เราผู้ยังไม่สำเร็จเราก็เดินตามหลังท่านนี่พยายามสแสวงหาอยู่ในที่สงบสงัด ถ้าไม่เราไม่เดินตามหลังของท่านอย่างนี้เราก็ทนทุกขไปไม่ได้ความสงบเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบนี้ไม่มีสงบกายกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ดื่มสุรามเ ไ, ไรัคันชายาฟินเฮโรอีนสงบวาจาวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นแต่กล้าสามัคคีกันไม่พูดคําหยาบพูดแต่คําอ่อนหวานอ่อนโยนไม่พูดเพ้อเจ้อเล้วไหลพูดแต่ เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมื่อสำมรวมวาจาได้อย่างนี้วาจา ก, ก็สงบจากบาปอากุศลต่างๆมาด้ทางภายใจิตใจก็สงบจากความโลภเร่งเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่น สงบจากความโกรธความพยาบามจองเวรสงบจากความเห็นผิดเป็นชอบมีความเห็นถูกเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าความเกิดแก่จิตตายนี้เป็นทุกข์จริงๆเห็นว่าการปล่อยจิตให้ เกิดความเศร้าโศกเสียใจไปไล่ลำพันธ์ขับแค้นใจโทมนัตใจอยู่อยๆนี้ได้ชื่อว่าล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเือว่าทุกข์กายทุกข์ใจย่อมมีความเห็นอย่างนี้ผู้ที่ไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ มันมีการมาคุณเป็นเหยื่อล่อให้เกิดความยินดีพอใจอยู่ในโลกนี้นี่แหละที่ว่าสาัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบ mm. เห็นอย่างนี้จึงเชื่อว่าเห็นถูกต้องเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงคู่ใดสะสมตัณหาไว้ มากเท่าใดทุกก็มากเท่านั้นเห็นว่าเมื่อดับปัญหาเสียได้ทุกทางใจก็ดับไปเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก์ได้จริงๆไม่มีข้อปฏิบับติจางเอืน่นที่จะเป็นทางดับทุก ้างภายในจิตใจนี่เสียได้ไม่มีถ้าหากว่ามีเนะี่ยมนดาพวกนักบวดนอกพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็เป็นผู้วิเศษสิเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้หมดแต่ในตำราปรากฏว่า พวกเหล่านั้นก็ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหายังอิจฉาและเสียผู้อื่นโยเช่นคอยลบล้างพุทธศาสนานี่ให้เสื่อมโทรมหมดไปจากโลกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนุ่นละมาแต่เขาทำไม่ได้เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนานี่ ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พุทธองค์ใครจะไปทำลายไม่ได้ทรงไว้ซึ่งอนุภาพคือได้แก่ท่านผู้มีบุญกุศลท่านเกิดมาแล้วท่านมาได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็ได้บรรลุ ถ, ถึงความหลุดพ้นจากทุกจากกิเลสตัณหา ทีนี้ก็ไม่เสื่อมจากพุทธศาสนาและท่านผู้ใดได้บรรลุมขนธรรมวิเศษก็ช่วยการเผยแผ่พุทธศาสนาอันประเสริฐนี้ไปคนผู้มีบุญได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ศรัทธาเรื่มใสยินดีรับเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติตาม ผู้มีบุญวาสนาแรงกล้าก็ได้บรรลุมรคผนขั้นต้นผู้อยู่ครองเรือนก็ดีเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่เสื่อมจากโลกในครั้งนั้นเน่ยเพราะว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าแล้วได้รับความสุขความเย็นใจแล้วชินในี้ใครจะไปทอดทิ้งล่ะใครจะไป หลงไหลไปนับถือลัทธิอื่นละ่ะ้องคิดดูอ่ะก็พุทธศาสนาให้ความอบอุ่นใจให้ความบริสุทธิ์ใจความทุกข์ความโศกดับไปอย่างนี้นะคนเราเหตุที่มันจะหมูนไปนับถือลัทธิอื่นก็เพราะว่าตนปฏิบัติผิดทั้งจิตด้วยผิดไม่ตรง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็มาเห็นผลขึ้นในใจของตนเมื่อมีคนเข้ามาหลอกลวงให้ไปนับถือลัทธิอื่นก็ไปตามเขาอันนี้เนละยเหตุที่บุคคลจะถอนตัวไปนับถือศาสนาอื่นนะแต่สำหรับท่านผู้ที่ ปฏิบัติถูกทางได้รับผลคือความสงบความเย็นใจแล้วไม่ไปเด็ดขาดเลยดังนั้นก็ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองพุทธศาสนานี่ไม่ได้บังคับให้คนเชื่อ ไม่ได้หลอกลวงด้วยเงินทองวัตถุสิ่งของอต่างๆให้บุคคลมานับถือมีแต่แนะนำสั่งสอนให้ผู้มาคบหาสมาคมได้รู้จักแนวทางข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เมื่อเขานำเอาข้อปฏิบัตินั้นไปประพฤติปฏิบัติตาม ได้ความสงบความเย็นใจแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในใจความนับถือก็ย่อมมีเป็นธรรมดาธรรมดาผู้ใดนับถือสิ่งใดแล้วได้รับความสุขความสงบใจความเย็นใจอย่างนี้มันก็ต้องนับถือสืบต่อไปโดยเฉพาะที่เป็นนักบวช ถ้าหากว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจริงๆเช่นนี้ย่อมทำให้จิตใจสงบระงับได้ดีกว่าผู้ครองเรือนเพราะมันไม่มีความกังวลภายนอกมาทับถมจิตใจผู้ครองเรือนนั่นน่ะมันมี เหตุภายนอกมารบ ก, กวนอยู่เสมอเพราะเป็นธรรมดาผู้ครองเรือนย่อมทำมาค้าขายย่อมทำนาทำสวนทำอาชีพต่างๆสุดแรกแต่ใครถนัดทางไหนก็ทำทางนั้นเมื่อทำการงานต่างๆลงไปแล้วมันต้องมีอุปสรรคเป็นระยะระยะไป ความยุ่งมันย่อมเกิดมีในใจดังนั้นน่ะผู้ครองเรือนจึงชื่อว่ามันยากลำบากในการปฏิบัติธรรมแต่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าผู้มีบุญวัสนาบรารมียากมันก็กลายเป็นง่ายไปมันสามารถทำได้ปฏิบัติได้ นี่ขึ้นอยู่กับวาดสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนเรื่อ ม, มนะันน่ะแม้พวกเป็นนักวดก็เหมือนกันถ้าตนได้อบรมฝึกขนตนมาแต่ก่อนมากพอสมควรจนว่าทำใจสงบระงับได้อย่างนี้แต่บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคได้ในชาตินั้ น, น, น มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาในชาตินี้มันก็โดนบันดาลให้สนใจในทางความสงบเมื่อหน่ายในความวุ่นวายเบื่อหน่ายในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็มองเห็นแต่การบวชเรียนในพุทธศาสนานี้เท่านั้นจะเป็นแนวทางให้ค้นปจกาจากการเบียดเบียน ซึ่งกันและกันคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงยอมสละบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องออกมาบวชเมื่อเรามีความมุ่งหมายอย่างว่านี่แล้วแต่เบื้องต้นมาแล้วก็ไม่ควรไม่ควรประมาทก อ, อันศรทัทธาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนั้นนะไม่ใช่ว่า มันจะมั่นคงเมื่อไรเมื่อบวชเข้าไปทำความเพียรจะละกิเลสกิเลสมันจะไม่ยอมง่ายๆมันจะลุกขึ้นต้านทานไม่ยอมให้จิตเข้าถึงความสงบเช่นนี้นะมันจะผลักดันไว้ให้จิตฟุ่งสั่นรำคาญไป ผู้มารู้ว่ากิเลสในใจของตัวมันยังมีอยู่มันเป็นมารคอยขัดขวางเช่นว่า น, นั้นแล้วก็ไม่ท้อถอยย ก, กจิตใจให้สูงขึ้นทำใจเข้มแข็งกล้าหาญสู้กับมือนคือกิเลสต่างๆเหล่านั้นในท้อถอย มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่แหละแต่ถ้าไม่ปลูกจิตใจนให้เข้มแข็งกล้าหารขึ้นแล้วสู้อำนาจกิเลสไม่ได้จริงๆขอให้เข้าใจเพราะว่าใจตรงนี้เนะ่ะมันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางดีและทางชั่วเมื่อมันพอใจทางไหนแล้วมันก็ ใช้ากายวาจาทำไปพูดไปทางนั้นเห็นมันพอใจทางบุญทางกุศลมันก่อนโน้มใจไปในทางบุญทางกุศลบำเพ็ญบุญกุศลมีให้ทานเป็นต้นไม่ทอม้อไม่ถอยถ้าเมื่อเมื่อมันพอใจทางบาปอกุศลมันก่อนโน้มใจไปในทางบาปอกุศล น้อมใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและผู้อื่นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, นต่างๆหมู่นี้นะเนี่ยมันเกิดจากจิตตรงนี้มันชอบนะมันถึงทำบาปได้คนเรานะถ้ามันไม่ชอบ มันเห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วมันทําไม่ได้เลยมันย่อมเว้นดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแนะ น, นำสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกขวนจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึง่งจิตนี้เมื่อ ไม่ได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังแล้วมันอ่อนแอมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ภาวนามันก็สงบลงไม่ได้ให้เข้าใจท่านผู้ใดมีบุญมีวาสนาแรงกล้าอย่างนี้ยนะภาวนาใจมันก็รวมลงได้ง่ายเพราะว่าบุญกุศลท่านมีมามาก มาอากุศลทั้งสมันจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้เลยถึงมีมาแทรกแซงกั น, นิดหน่อยมันก็สู้กำลังบุญวาสนาไม่ได้เช่นนี้มันก็ดับไปความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะังนั้นทุกคนให้ถึงให้เพิ่งอธิษฐานถึงบุญยาบา ร, รมีของตน ที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติในเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะอย่าไปลืมนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญบา ร, รมีที่ตนได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตหลังหากว่ามีจริงตนได้สั่งสมบุญกุศลมาจริง บุญนั้นก็จะเกิดขึ้นตั้งมั่นอยู่ในใจิตใจพร้อมทั้งคุณสามแก้วสามประการนั้นอันนี้แหละที่ทำใจของเราให้เข้มแข็งกล้าหาญกล้ า, ผาเผชิญกับกิเลสปาประธรรมต่ า, างๆที่เรายังละมันไม่ได้มันยังสิงอยู่ในใจิตใจ เมื่อเราน้อมใจลงจากคำจัดมันมันก็ลุกขึ้นมาต้านทานอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองทีนี้เมื่อเรามีบุญมากเรายึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจเช่นนี้แล้วกี่แหลกก็สู้ไม่ได้มันก็ต้องถอยไปนี่อย่าไปลืมผูกความเพลินเพียทาง จ, จิตใจหรือผู้ที่ ประกอบกิจการงานอะไรถ้ามันติดขัดมันขัดข้องอย่างนี้นะเราก็นึกถึงบุญญาบา ร, รมีที่เราได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตทนหลังจนมาถึงปัจจุบันและนึกถึงคุณพระรัตนกายที่เรานับถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสรตด้วยอำนาจ ความสัตว์ความจริงด้วยอำนาจแทงอนุภาพแห่งคุณพระตนะใครและบุญกุศลอันนี้ขออุปสรรคความขาดข้องในชีวิตของข้าพเจ้านี่จงบรนเทาเบาบางไปและงับจับไปอย่างนี้นะเมื่อเราอาธิษฐานใจนี้หากบุญคุณมีจริงบุญคุณก็จะ บางเกิดขึ้นในใจใจที่เคยพุ่งซ่านเลื่อนลอยก็จะค่อยสงบลงค่อยเย็นลงเป็นอย่างนั้นเพราะาเมื่อบุญคุณเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสก็ย่อมถอยออกไปเพราะว่าใจนั้นชอบบุญนี่ไม่ชอบกิเลสอะ่ะเหตุนั้นถึงอธิษฐานใจถึงบุญถึงคุณ ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อบุญคุณอย่างนี้เมื่อใจไม่นึกถึงบุญคุณก็ไม่เกิดให้เข้าใจหรือความดีอื่นได้ก็ดีเมื่อใจไม่นึกถึงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้โยมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานนี่ บาปอากุศลเมื่อใจไม่นึกถึงมันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเหตุที่บุคคลใจเหตุที่บุคคลใดจะนึกถึงบาปถึงกรรมก็เพราะเหตุว่าความหนักแน่นในบุญในคุณนั่นมันไม่เพียงพอกิเลสก็ผลักดันให้คิดไปในทางบาปอากุศลเพราะ ก, กิเลสมันเป็นมาร น, นี่ มันคอยแต่จะจูงใจให้ตกต่ำลงไปให้กระทำความชั่วโดยการ้ดยวาจาแล้วไปได้รับทุกข์เป็นผลอยู่ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไอเรื่องของกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปส่งเสริมมันเราต้องทำความเพียรกรรมจัดพันเลื่อยไปแหละ ทำความเพียรฝึกจิตใจนี่ให้มันตั้งมั่นลงไปนี่นะนนเมื่อจิตตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณได้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้เบื่อให้หนายให้เห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงความรักความชางังต่างๆโมนีการที่จิตจะละมันได้ก็เพราะอาศัยปัญญา นี่อาศัยปัญญาพิจารณาสอนจิตนี่ให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสบาปธรรมต่างๆดังกล่าวมานั่นน่ะใจนี้ถ้าหากว่าปัญญาไม่สอนแล้วมันไม่ฉลาดนีอ ม, มันไม่เบื่อไม่น่ายมันไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาต่างๆได้เพราะ เพราะมันไม่ฉลาดต่อเมื่อในปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตที่เข้าไปจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ววันนี้มันก็เบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาบาปธรรมกรรมมันชั่วทางๆมันเบื่อนั่นนะพอมันเบื่อแล้วก็พยายาม ควบคุมจิตใจที่เบื่อนั้นไว้เบื่อ ม, มากแล้วมันก็คลายทิ้งเท่านั้นแหละเหมือนอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปยังไม่ทันได้กลืนลงไปเมื่อรู้ว่าอาหารนี่มีพิษอย่างนี้มันก็คลายทิ้งทันทีเลยอืมใครจะไปยอมกลืนอาหารที่มีพิษลงไปในกระเพาะไม่มีที่บุคคลไม่รู้อ่ะเขาเอาอะ ยาพิษแทรกอาหารให้รับประทานอย่างนี้นะเมื่อไม่รู้แล้วรับประทานเข้าไปยาพิษมันออกฤทธิ์มันก็ทําให้อวัยวะภายในเกิดวิบัติขึ้นเอถึงตายกันก็มีถ้าแก้ไขไม่ทันนั่นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมารู้ว่ากิเลสนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมากมายหนักหนาอย่างนี้ ก็ไม่กลืนมันไม่ยึดถือเอามันไว้หมายเขาว่างั้นแหละทลายทิ้งไปเลยอดังนั้นไอเราพยายามให้มันรู้รู้เรื่องของกิเลสก็ไม่ใช่มากมายอะไรมีสามกองเท่านั้นเลยกิเลสส่วนใหญ่ๆนะนอกนั้นเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยมันก็เกิดไปเกิดไปจากส่วนใหญ่นี้แหละ ถาระงับส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่อยนะไม่ต้องไปลำบากกับมันมันก็ดับไปเองมันเป็นอย่างงั้นดังนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วค็ใหพากันเพ่งจิตนี้เพ่งความรู้สึกนี้นะฮะมันสงบให้มันหนักแน่นเข้าไปมันสําคัญอยู่ที่สมาธินี่เลยเมื่อทําจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้แล้วปัญญามันก็ไม่เกิด ให้เข้าใจหลักนี้ก็แล้วกันเวราะฉะนั้นต่อไปให้ทำความสงบไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมควรแก่เวลา